ถ้าวันนี้ผ่านไปพร้อมกับการเห็นสาระที่แท้พรุ่งนี้คุณก็พร้อมจะลืมเรื่องน่าร้องไห้อันไร้สาระได้เป็นทุกข์เห็ น, นกลไกการทำงานของจิตจึงพ้นทุกข์มีเรื่องน่าเจ็บปวดก่อนอายุสามขวบอันใดบ้างที่คุณจดจำได้อย่างแม่นยำก่อนสามขวบทุกคนร้องไห้มากมาย แ, แทบไม่มีใครจดจำเรื่องน่าร้องไห้ที่เหลวไหลเหล่านั้นได้เลยเพราะทุกคนโตขึ้นพร้อมกับการจดจำเรื่องมีสาระได้มากกว่าถ้าวันนี้ผ่านไปพร้อม ก, กับการเห็นสาระที่แท้มากขึ้นพรุ่งนี้คุณพร้อมจะลืมเรื่องน่าร้องไห้อันไร้สาระในวันนี้ได้เช่นกันการเห็นสาระที่แท้คือการเห็ น, นกลไกการทำงานของจิต เช่นเห็นว่ามีบางสิ่งทําให้คุณจําเหตุการณ์บางอย่างได้สิ่งนั้นไม่ใช่ระดับอายุแต่เป็นระดับความเจ็บปวดหรือเป็นระดับความชื่นมืน่นตื่นตาตื่นใจมองมาที่จิตคุณจะเห็นว่าแทบไม่มีความทรงจำอันเจ็บปวดในวันที่เป็นสุขเพราะความสุขทาให้จิตขยายภายแผ่ออกกว้างเป็นคนละแบบกับจิตที่ห่อเหี่ยวคับแคบเป็นทุกข์ นั่นเองจิตที่เป็นสุขจึงระลึกถึงเรื่ององนเป็นทุกข์ได้ยากรู้เข้ามาที่ใจคุณจะพบว่าแทบไม่มีความทรงจาอันแสนสุขในวันที่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์ทำให้จิตห่อเหี่ยวคับแคบเป็นทุกข์เป็นคนละแบบกับจิตที่ขยายไพยแผ่เป็นสุขนั่นเองจิตที่เป็นทุกข์จึงระลึกถึงเรื่ององนเป็นสุขได้ยาก เมื่อเห็นสาระที่แท้ของชีวิตเข้าใจกลไกการทํางานของจิตยามใดที่ความทรงจําเก่าๆผุดขึ้นหลากหลายคุณจะเกิดสติกระจ่างแจ้งว่าความทรงจําเก่าๆไม่ได้มาเองแต่ถูกความเจ็บปวดหรือความชื่นมื่นในปัจจุบันลากจูงมาเมื่อเกิดสติเห็ น, นกลไกการทํางานของจิตบ่อยขึ้นคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวตนมากขึ้นเช่นกัน นั่นแหละทางมาของการรู้จักสาร่าจริงแท้อันเป็นที่สุด